แท้จริงของพุทธศาสนาหลักที่จะอธิบายนี้จะไมมีอะไรมากมายคร้วสักสี่ข้อหัวข้อสำคัญสาคัญสักสีข่ข้อที่ท่านแสดงว่าเป็นคารธรรมทำทำของคลาววะคำที่ว่าคลาวาะธรรมก็ดีหรือทำของมันก็คิดก็ตามถ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 เรามาลองทดลองลองทำดูสักก่อนจะพ่อในระหว่างคนสองคนอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อเราทดสอบทาลองดูเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วเราสามารถจึงจะพูดได้เต็มปากเลยว่าโอ้ยทำเนี่เป็นของดีจริงเป็นของอิเศษจริงถ้าหากเราปฏิบัติไม่ได้เราก็จะเห็นโทษท่านดีท่านดีท่านใดแล้วก็สามารถพูดได้ว่า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 ไม่กลัวเกรงต่อบาปและไม่อายต่อบาปเมื่อไม่เกรงกลัวและไม่ละอายแล้วก็ทําได้ทุกทุกอย่างเรื่องธรรดาทุ่มชั่วทั้งของมีเรื่องความโคตกคือความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อเวลาต่อการต่องานไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคล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 ขอให้เข้าใจเถอะพุทธศาสนานั้นเป็นเหมือนกันกับ น, น้าสะอาดหรือสบู่สำหรับปอกผ้าหรือของสอกปรกถ้าหากว่าเราไม่ ย, ยมอมเอาสบู่มาพอกหรือว่าไม่ ย, ยม อ, อมเอาน้าสะอาดมาล้างตัวของเราก็จะไม่เป็นคนสะอาดสกปรกอยู่ล้ำไป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 ถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาและกลัวนะักกลัวหนาะกลัวจะมาล้างิเลกบาประธรรมตนให้อยู่โดยอิสระยังค่อยสบายถ้าหากว่าศาสนาพูดคือค้ า, ามองเราจะพูดถึงเรื่องความชั่วแล้วไม่อยากฟังมันบิดเบือนไ่ใช่มีความเห็นของคนโดยสามารถเป็นอย่างนี้เหตุนั้นคนจึง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 อนุวัตดังมิตานสันสติผููให้สมานมิตรไว้ได้อย่างดีหมายสมัยนั้นน่าชมน่าชบโลกสมานมิตรกันไว้ได้ดีที่สุดแต่ว่าจิตใจแท้จริงของเขาราบจะสมานได้ถึงไงถ้าสมานมิตรเลยนั่งใจอันบริสุทธิ์จริงๆจริงจังก็เป็นบุญเป็นกุศลนำขึ้นประโยชน์ความสุขอายอย่างมหาศาล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 บางคนคงคิดคงเห็นต้องการรุ่มรวยทำบุญนำทางกับพระอยากได้โชคได้ลาภกะไรอาจจะมีก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ไม่ใช่จาคะะแท้จาคะะแท้เป็นวุญญุสนเต็มเตี่ยมบริบูรณ์นั่นน่ะให้โดยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสสร ะ, ะจาคะะลงไฟไม่มีหวังการตอบแทนวุญแหลไม่แค่ตอบแทนหรือ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 จะฆ่าภายในใจของเราเีเราคิดสละควงโกรธควบอิจฉาอิจยาเรามีภายในทมเถจจะฆ่าไปเทอาโกรธที่โกรธนี่ไม่อดของง่ายของโตกปและ้วจะฆ่าวันเดีวยวรถสองรถกันเห็นจะไม่หมด นั่นบนใหญ่บนโตเราจาก่ะคือความกลบได้เราสบายเบาใจเบากายนีจา่าฆ่าภายในพระไปให้ใครละภานี้าเสธถามมีปัญหาเว่าะจ่าฆ่าไปให้ใครไม่มีใครรับไม่อดหลกคนจะรับจา่าฆ่าความชั่วความชั่วต่างๆจ่าฆ่าสละ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 ถ้าทิ้งหมดก็กลัวจะไม่มีอะไรจะใช่ความโกรธความเกลียดความดิ้นรนความอะไรต่างๆว่าหนักนี้นับตั้งต้นในเด็กววมลีวเกียดที่ข้านมั่ง่ายจะไปถ้าจะทิ้งแล้วก็เสียดายขี้ค่านับตัวจะไม่ได้ใช่ที่จริงใช่แล้วมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ให้โทษทั้งตนและคนอื่นเรื่องจากข้า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 แบ่งปันกันคนละอันคนละขอบมาลองลองลองดู้ครจะเอ า, าข้อไหนนั่นก็เอาแต่ก่อนที่จะเลือกเอาข้อไหนนั้นอย่าไปลืมคำา่อธิบายฝนนั่งต้นว่าธรรมะคำสอนพุทเจ้าเป็นเครื่องชาระล้างของสกปรกเราสกปรกข้อไหนอย่างเราคิดโกหก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 เล้ยวหลายเยอะตลอดเลอดเลาคนนั้นต้องเอาข้อทีดอ่ดีคนไหนมักยึดมักถือแน่วแน่มั่นทิฏฐิมานะหรืออุปทานในมั่นคงเรียกว่าถือลั่นคนนั้นเอาจ่าพัะได้คนละข้อละข้อแล้วก็เอาหละลองตั้งหน้าตั้งตาลองทําลองดูปฏิบัติตามลองดู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 ถ้าหากเชื่อมั่นแน่วแน่วว่าเป็นของจริงแล้วมันอดไม่ได้ต้องทำกันจริงต้องปฏิบัติจริงท่านี้เรายังว่าท่านเข้าใจแลวยังว่าท่านรู้จักรสชาติไม่ได้รับรสชาติความจริงอันนี้รักอันหนึ่งซึ่งมันไม่จริงอยู่นะคนทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่จริงทำดีไม่ได้ดีทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดี มักลงกันอยู่ตรงนี้ดีในทนี่นี้น่คนไม่เข้าใจมักพูดกันอยู่เสมออย่างเขาทำการทำงานเป็นข้าราชการทำงานทำการดิบดีดีแทบต้มแทบตายทำอะไรกันดิซื่อสัตย์จริตแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มองเห็นเราเลยนี่พูดกันทุกคนแย้มปากอยตลอดเวลา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 ตายไปแล้วเป็นของเราความดคนคนนีนี้อั่นความดีปลอมๆหลอกอะเห็นที่ไหนหมันคงทาวารที่ไหนบ้างแกเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตาทั้งบ้าน ท, าทาๆๆนั้งเมืองทั้งโลกเห็นกันอยู่งั้นดีหลอกๆปลอกไม่ไม่ใช่มีความสุขเราเมื่อไม่เข้าใจก็ได้คทุกข์เหมือนกันก็ไม่ได้เข้าใจความดีอย่างที่ว่านนี้น้อยอกน้อยใจเสียใจเพราะขอไม่ให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 สกิระกลวงในใจเธอสนิดนทดียวทำด้วยความชื่นใจด้วยความพอใจอิม่มใจจริงอันนั้นหละจึงจะเข้าถึงศาสนาพุท ธ, ธมามากะาคือพุท ธ, ธบริษัททั้งหลายเราได้แต่ชื่อแต่ว่าเังไม่เข้าถึงพุท ธ, ธศาสนาสมกับว่าเป็นพุท ธ, ธมามากาะหรือพุท ธ, ธศาสนาในตัวจนโดยแท้เราพุทธเจา